ลัษนะสู่ธรรมเรื่องเข้าสู่ทางสายกลางเนื่องด้วยทักษะแห่งดนตรีโดยอาจารย์โกวิศอเนกชัยเขมานันทะวันที่22พฤษภาคม2538ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤกษานะครับเดือนพฤกษาคมารวงสื่น่าจะแปลว่า การมาของพึกษชาติเพราะช่วงนี้ช่วงที่ดอกไม้บานมากที่สุดกระดูจะพร้อมใจกันบานทั่วประเทศครับผมไม่แน่ใจว่าในประเทศอินเดียเนปาลแล้วก็านั้นดอกกระดูจะพร้อมใจกันบานด้วยหรือเปล่าช่วงพฤกษภาานั้น ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะทางการเมืองเท่านั้นครับแต่เป็นช่วงที่ท่านผู้หนึ่งได้ถือกำเนิดผมถือโอกาสนี้ได้พูดในวันเกิดคล้ายวันเกิดของทนาจาจย์ส่วนโมกิด้วยเลยแม้วันเวลายังมาไม่ถึงก็ตามแล้วก็นึกถึงเรื่องการบานของดอกไม้ขึ้นมา เรื่องจะเล่าสู่กันฟังในส่วนพุทธประวัติแม้จะไม่มีความสลับสำคัญมากนะต่อการปฏิบัติหรือเจริญสีประฐานสี่นะครับซึ่งเราถือนั่นเป็นเป็นกิจเป็นหัวใจของการเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาก็ด้วยวิธี จเจริญสิปทานสี่อันนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปทั้งฝ่ายหินยานและมหายานไม่ว่าจะมีระบบสอนหรือระบบกรรมฐานอื่นแต่โดยแท้จริงแล้วระบบกรรมฐานหลากหลายเหล่านั้นสงเคราะห์ในสติปฐานสี่ทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพราะว่าสติปฐานสี่เป็นฐานของญาณวิทยา จะให้เกิดยานทัศนะเราเข้าวัดกด็ดีฟังเทศฟังธรรมก็ดีนะครับหรือไปบวชไปเรียนมาก็ตามเพียงเพื่อให้ได้ยานทัศนะสําหรับพระพุทธเจ้านั้นเมื่อท่านยังสแสวงหาอยู่ท่นานเล่าไว้ในพระสูตรหลายแห่งว่าสมัยท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้สแสวงหาอยู่ว่าอะไรคือญานวิเศษ สวงหาญาณทัศนวิเศษวิเศษในที่นี้หมายพิเศษครับไม่ใช่เพื่อเอามาทำมาหาเลี้ยงชีวิตไม่ใช่เพื่อเป็นเพียงศิลปะวิทยาแต่มาเพื่อจะทำให้ถึงที่สุดทุกศัพย์ของชาวพุทธที่ชนจดจำที่สุดคือคำว่าถึงที่สุดแห่งทุกนั่นหมายถึงว่าทุกที่เคยเรารุมนอยู่มาถึงที่สุดของมัน ที่สุดของทุกก็คือความสิ้นทุกนั่นเองนะครโดยภาษาโดยตัวหนังสือที่ผมบอกว่าทําให้ชวนนึกถึงดอกไม้ในเดือนพฤษภาคมเพราะดอกไม้นี่เป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างด้วยนะครับในกระแสะธรรมชาตินั้นดอกไม้เป็นสิ่งสวยงามนะครถ้าความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีววิทยาของผมไม่ไม่คาดเคลื่อนมนุษ มนุษยชาติถือกำเนิดพร้อมกับช่วงที่โลกให้กำเนิดดอกไม้ก่อนหน้านั้นพืชพวกปรงพวกอะไรนี่ไม่มีดอกบานนะครับแต่คงจะมีอะไรพิเศษตรงที่ว่าไม่มีเมล็ดเม่มีดอกไม้ก็มีเมล็ดและช่วงที่มนุษย์ปรากฏกายขึ้นในโลกในดาวดวงนี้นะครับเป็นช่วงเดียวกับที่ดอกไม้มีขึ้นแต่โดยเฉพาะดอกบัวนั้นได้ถูกหยิบขึ้นมา เป็นอุปมารครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่เฉพาะในหมู่ชาวพุทธเท่านั้นนะครับแม้ชาวอียิปต์โบราณเมื่อทำเสาโบสถ์วิหารก็ทำเสาเป็นหัวบัวพราะดอกบัวนะั้นมีลักษณะพิเศษมากตรงที่ว่าถือกาเนิดในโคลนตมซึ่งถือว่าเหม็นไม่สะอาดแต่ความลามกลิ่นของมันนั้นกลับบริสุทธิ์ฟุดผ่องขึ้นมา ครั้งแล้วครา้งล่าที่อาจารย์ลุมพลางได้หยิบออกการบานของดอกบัวมาเทียบกับการบานของหัวใจเราจะเห็นว่าทางทนออกนั้นในรูปติรากของภาษานะครับความหมายภาษานั้นจะกํากึ่งแล้วฟังดูคล้ายกำกวงคือหยิบข้างนอกมาอธิบายข้างในหยิบข้างในมาอธิบายข้างนอกเช่นคําว่ากระมลเราดอกบัวก็ได้ครับแปลว่าใจก็ได้ ฝรั่งที่ไม่คุ้นกับวิธีของชาวบุรุปปิตจะงงและสับสนแต่ฝรั่งที่คงแก่เรียนก็เข้าใจได้ครั้งหนึ่งประเทศเราหรือคนไทยนะถูกประนามมากว่าเวลาพูดเราคนไทยแล้วลำบากเขาเรียกเฉพาะว่าไซมิสท็อกคือพูดกลับไปกลับมาทั้งหมดนี้เนื่องจากความเข้าิจผิของฝรั่งที่ คือขนรทมเนียมประเพณีตนตกจัดแล้วสรุปว่าตนตกคือคำตอบเพราะว่าที่โยกโครงนั่นภาษาอุปมาอุปมัยก็ดีเนื่องจากโลกตอนออกนั้นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนผมสันนิษฐานว่าคำว่าเอเชียอาเซียนน่ฮะน่าจะมาจะคำว่าอุสาพระอาทิตย์ขึ้นก่อนและสิ่งน่าประหลาดก็คือพระอาทิตย์กับดอกไม้เนี่ยสัมพันธ์กันมาก ดัง น, นั้นครั้งเล่าทรั้งเล่าที่พระเจ้ายิตการบานของดอกบัวกับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เข้าไปเร่งร้าให้ดอกไม้ที่พร้อมจะบานนั้นเบิกบานและในวันนี้ท่านกลับสรู้สําเร็จสุคติยานนณครับสิ่งท้่ท่าน้องอุทานก็ผูกพันกับแสงอาทิตย์อีกแล้วครับท่านเพระภิกษุที่บวชนานๆหรือผู้ที่ค่ําหวอดครับพายวิโดก็จะจาได้ คถาที่ขึ้นต้นนครับว่าจะทาฮาเวปัตุทวันติธรรมาอาตาปิโนชัยโตพรามนัสสะผมไม่ต้องไลยย่ยาวนะเพราะมันมีประโยชน์แต่ขึ้นต้นใ ห, ใ, หให้รู้ว่ามีที่มาผมไม่ได้ยกแม่เขาเองพระเจ้าอุทานว่าเมื่อใดแลความผู้เพียรเพ่งอยู่เอาแตนเรื่งความนะครับรู้ชัดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะมีเหตุเป็นแดนเกิดแล้วนกะ็ประโยคที่สองคือเมื่อใด พราหมผู้เปียนเพ่งอยู่แต่ชันก็นว่าพราม์นะในที่นี้หมายผู้ค้นหายานทัศนะนั่นเองค้นพบว่าทํามะไหลสิ้นไปเสื่อมสิ้นไปเพราะปัจจัยแล้วประโยคที่สก็คือเมื่อใดอความสาางสัยขอรามณมันกวงสิ้นไปดุจแสงอาทิตย์ส่องขึ้นในห้วงนภาอากาศมีทความลึกซึ้งละไผ่ล่อนะครับ ความฟุ้งซื้อนั้นก็ต้องว่ากันอีกในในส่วนหนึ่งครับแต่ผมกำลังเข้าไปสู่ความตื้นตื้นคืออุปมาอุปมาอต่างๆซึ่งอุปมาอุปมยที่พระเจ้าหยิบยกขึ้นมาอธิบายในสิ่งที่อธิบายยากคือความรู้สึกนึกคิดหรือที่เราเรียกว่าเรามาทาด้านในนะครับไเหมือนว่าพระเองค์เองนั้นสัมพันธ์มากกับดอกไม้โดยเฉพาะดอกบัวนะครับ มีความเข้าใจผิดหรือคาดเคลื่อนอยู่บ้างในหมู่ชาวพุทธทั่วไปนะที่เรามักจะเปรียบเทียบหรือ ข, ข่มขี่คนที่เราไม่ชอบคิดหนาา้าโดยเฉพาะชาวพุทธชาววัดนะฮะขมขี่คนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เรามักจะเรียกกับว่ า, วามิจฉาทิฐิเรามักจะเรียวพวกดอกบัวใต้เน้่ม <c oughs> เป็นการหยามเยียดโดยสามัญสานึกแล้วไม่น่าใช่วิสัยของพระพุทธเจ้า เหี้ยดมนุษย์ถึงระดับนั้นนะฮะแล้วนั่นคือข้อเท็จจริงว่าในระเดกไม่มีครับพระเจ้าอุมาบัวสามเหล่าเท่านั้นคทั้งสามเหล่านี้พร้อมที่จะบานแต่ว่าบางบางบางเหล่าก็ยังอยู่ใต้น้ำํำบางเหล่าเป็นน้ําบางเหล่าก็เตรียมจะบานแล้วส่วนบัวใต้น้ํานั้นอับตะขาจานเพิ่มเติมทีหลังครับนี่คือข้อเท็จจริงแต่ว่าการเติมของท่านมีเหตุผล เพราะว่าดูแล้วในสังคมมนุษย์จะมีคนบางประเภทเป็นอย่างนั้นจริงๆร้ายกาศเรียก ว, ว่ากำลังในอาธรมรมธรรมราคะรัตตาพิรัตตาครับสัพเฉพเขาเรียก ว, ว่าบุคคลผู้กำนังในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาเรพาพบไม่ว่าในสนามนการบ้านการเมืองนหะรือแม้แต่งการสงฆนะ์ครับเหตุการณ์ระดับชาติขึ้นมาจาตัวละครที่ ที่อยู่ในข้างอักธำมันจะโปร่ขึ้นมาดีทุกรอบทุกเที่ยวเราก็ถูกกำหนดบทบาทมาือนก้นนะครับแต่ผมไม่ต้องการจะพูดเรื่องนั้นนลยครับที่ว่าบัวสวามเหล่านั้นหมายความว่าพระเจ้าเรีงแล้วไปสู่ความเป็นไปได้ที่หัวใจมนุษย์นั้นเองที่จะเบิกบานขึ้นแล้วก็ท่านเปรียบธรรมะที่ท่านสอนเปรียบด้วยแสงสว่างเข้าไปเร่งร้าบัวใจให้บาน น่าประหลาดมากครับที่วัฒธรรมของอียิปต์ก็ดีก็มีเรื่องดอกบัวนี่มากเมื่อกี้ผมเอ่ยขึ้นต้นเลยคำว่าเดือนฟลิกสปาวริกษาั้ืแต่ศฟิกษาครับที่ดอกไม้บานบพลัง้งทำให้นึกถึงอุปนิสัยใจคอของพระพุทธเจ้าขึ้นมาประการหนึ่งคือความรักในธรรมชาติอ่ เมื่อสมัยที่องค์ท่านตรัสรู้แล้วใหม่ๆนะครับยังไม่ทรงดําริที่จะกลับไปสู่กบิลพัทเมืองพ่อเมืองแม่พระเจ้าสุดทธทนะนั้นมีความไม่ตกกังวลเพราะพระองค์ยังไม่เข้าใจบทบาทและการตัดสินใจตั้งแต่การตัดสินใจและผลเื่อการตัดสินใจของพระเจ้โอรสคือองค์ที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้านะครับความมิตกกังวลนั้นยัง ส่งคณะทูตมาหลายคณะมากแปดถึงเก้าคณะทุกคณะที่มาพระพุทธเจ้าด้วยเจตนารมที่รับมาจากพระเจ้าสุดโทตนะเพื่อทูลเชิญให้พระเจ้ากลับเมืองคากลับเมืองใหนิ่งมว้ยังกลับบ้านแล้วก็ไปคลองบ้านคลองเมืองดีกว่าอย่าเป็นรดเล่นล่อนเลยทูตทุกคณะที่มาพบกับพระองค์ข้าท่านโปรด สั่งสอนเขาจนเขาไม่อยากกลับบ้านเขาก็ออกบวชหมดทีนี้พระเจ้าสโตนะก็ส่งทูตคณะสุดท้ายนะครับซึ่งหัวหน้าทูตคือพระกาลุทายีองค์นี้เป็ น, นุขมนตรีครับเป็นผู้มีปัญญาและเป็นสหชาติของทระุธองค์สหชาติคือผู้ที่เกิดวันเดียวกับท่านอายุเท่ากันและเป็นเพื่อนเล่นในมา่ก่อนซึ่งมียโสธราพิมพานะครับพระอานอนท์แนละ้วก็ ว่ากันว่าต้นภระสีหมหาโพธิ์แล้วก็ม้ากันทกะด้วยอันนี้อันนี้มเล่นทงทำให้ดูให้มันดูเคร่งขลึมขึ้นอะไรทำนองนั้นนะครับแต่การที่การุธีมาอมเองครั้งนี้มีบทบาทสำคัญมากเพราะว่าพระพุทรงได้ตอบรับคำเชิญด้วยพระสหาไ้คนนี้ถ้าเราไปสำรวจดูในระวิ ด, ดกในพระสูตรจะพบว่า ค่อยคำที่ทูลเชิญให้กับเมืองนั้นมีสเสน่และลุ่มลึกต้องประไทยของกุเจ้าอันนี้พูดเรากุเจ้ามีกิเลสอยางั้นหนี่จริงๆคงมีความหมายที่ลึกกว่า น, นั้นถ้าเราดูลำดับจะพาบว่าการุธยีเฉลียวฉลาด่าครับรู้ว่าสุงทรีพุวาไปพูดในของของล้มเหลวตามเคยก็ประโยคแรกที่การุธยีพูดนั้นก็สะท้อนจากประสบการณ์ที่เคยเล่นกันตั้งเด็ก การรู้ยีทรงรู้ดีว่าพระเจ้าชอบอะไรโปรดอะไรโปรดกันที floor, ่ในป่าอีโมวันเครืองมาอะไรแล้วก็โปรดดอกไม้อันนี้พระคคำพีเก่าที่ชื่อลาริตวิสตราเล่าไว้ครับแล้วก็ชอบเล่นดนตรีดังนั้นคําแรกการรู้ทายีไม่ได้พูดเรื่องเพราะเรื่องพ่อบอกให้กลับบ้านพูดภาษาจ้าบ้านฮะแต่กลับทูลว่าฤดูนี้เป็นฤดูศาสตรการ เข้าใจเป็นช่วงพึกสภาเนี้ยสองข้างทางระหว่างแคนที่หาน่นนะครับที่ท่านทับตะรู้อยู่กับกบิลพัฒ์แดงสว่างเหมือนกระฐานเพลิงไปด้วยดอกไม้ขอเชิญสเสด็จไปชมดอกไม้ด้วยกันแสดงว่าเอาความเป็นเพื่อนทามาพูดแล้วนี่คือสิ่งแรกที่ผมเชื่อ ว, ว่าสร้างความสนิทใจรื้อฟื้นความหลัง ให้กับพระเจ้าแต่คงไม่ได้หมายว่าท่านมีกิเลส ต, ติดจมในความหลังไม่ใช่อย่างนั้นแน่เพราะคำดุลเชิญนี้เป็นคำเชิญชวนของเพื่อนแล้วไม่มีการบีบบังคับใดๆทั้งส้นแต่คำเชิญประโยคที่สองนั้นยิ่งสำคัญหนักขึ้าไปอีกครับเชิญว่าเป็นธรรมเนียมของพระสมมรสมรสพุทธเจ้าผู้จรัสรู้แล้วย่อมกลับเมืองแม่ เพื่อยังชื่อเสียงของพุทธมารดาให้ให้ยังอยู่ในโลกนี้คําพูดนี้กระทบความรู้สึกอีกเพราะของเชื่อพระเจ้านอกเหนือจากรับธรรมชาติแล้วยังกระตาอยู่ต่อมารดาเหมือนที่อาจารโบราณเขาพูดว่าพูดขึ้นว่าพระเจ้าเสด็จขึ้นดาวประเด็นเพื่อโปรดพุทธมารดาเพราะว่าพระพุทธมารดนั้นมาลาทีบีสิ้นปุชชนเมื่ออายุท่านเจดวันเท่านั้นเองไม่มีโอกาสที่จะ รู้จักด้วยซ้าไปเพราะยังเล็กเกินไปแต่ว่าในมั้งคำพีบอกว่าท่านรู้จักและท่านเทศนาปโปรดพุทธมารดาตั้งแต่อยู่ในคันมีคำหมายพิเศษนะฮะเราไม่ไม่ควรที่จะปัดไอ้อถ้อยคำเหล่านี้ทิ้งมีรหัสอะไรพิเศษมาตมา็ทุนเชิญเรื่องด้วยว่าข้อาพิดาทรงฉลาแล้วทรงรู้ทำใดรู้ยานพิเศษใดขอให้เผยแผ่ถึงพระราชบิดาด้วย ผมจำไม่ได้มีทั้งแปดข้อคับเหตุวันแต่ข้อสุดท้ายสำคัญมากข้อสุดท้ายเป็นกับเพื่อนกับเพื่อนครับบอกว่าทูดทั้งแปดคณะเนี่ยล้มเหลวคราวนี้ขอพรให้หม่อมชันทำงานทุกเลก ด, ด้วยว่ากันว่าพอเผ็จคำทุนเชิญพูกเจ้าก็ส่งลุกขึ้นในหิวบาทไปเลยผู้สาวเจะาบ้านไปเลยด้วยความรู้สึกง่ายๆของ หัวหน้าทูตซึ่งชานฉลาดต่ตอมากะรุทะยีก็ได้บวชแล้วก็เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในพุทธศาสนาครับตะกี้ผมอ้างถึงพระคมภีร์เล่มหนึ่งซึ่งฝ่ายเทราวาจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่สําคัญมากๆในทัศนของผมแต่ว่าชาวมหายานคุ้นหูมากและเป็นพระคัมภีร์ที่เก่ามากๆประมาณช่วงหลังพระเจ้าโศกเล็กน้อยครับ พระเจประมาณห้ารอยปีหลังพุทธกาลชื่อพระคมดีลลิสุวิตรจากคมดีเรื่องนี้เองครับที่เราได้รู้เรื่องของพระพุทธเจา้าทั้งในแง่กว้างและลึกโดยเฉพาะที่ผมเคยบรรยายไวทในทห้องนี้เรื่องบโรโบโดนะครับภาพที่เป็นหินสลักต่างๆนั้นถอดมาจากพระคมดีเรื่มนี้เสียส่วนใหญนะ่และเป็นต้นแบบให้อัตโโคตกวี พุดคนสำคัญมากๆได้รจนาพุทธวัตรที่ชื่อว่าพุทธจริตขึ้นมานซึ่งไพเราะจับใจอัดสุรรณคนนั้นเป็นกวีพุทธที่เทียบได้กับวังมิกิของฮินดูของอที่รจนาเรามื่อกีนเป็นกวีเพียงไม่กี่คนที่โลกยอมรับทางโลกต้นตกก็ถือว่าโฮเมอร์ต้นตำรับที่เขียนอีเลียดกับโอดิซีขึ้นมานะครับ สองฝ่ายที่นออกนั้นก็มีวาลมิกิี้ผู้แต่งราเมยนะแล้วก็วายาดผู้แต่งมหาภาระกะจุทย์และและอัลสวโคตผู้แต่งพุชจลิอีกคนหนึ่งคือกาลิทาต ผ, ผู้กันกวีในหลายๆเรื่องที่รัชกาลที่หทรงงปรายเป็นไทยมาคัมีเรลิสวิกกะอั น, นั้นได้ไม่ไม่เพียงแต่พรณาเรื่องภูมิหลัง ของพระพุทธเจ้าก่อนที่ออกบวชแต่ว่าได้ทอนวิถีชีวิตเยี่ยมคนสามัญของพุทธองค์ด้วยยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อทอนที่พระจชวิดาอยากจะปลูกพันธุ์เจ้าชายไว้ในโลกในโลกีเยสุเพื่อให้ครองสมบัติปกครองบ้านปกครองเมืองนั้นทรงคาดคั้นให้ให้ท่านแต่งงานโดยเร็ววันกลัวจะออกบวชสิก่อนแต่พระพุทธเจ้าท่านเจ้าชายท่านไม่ไม่อยากแต่งงาน มือถูกข้าท่านมากเข้าท่านอะไรทูลกําหนดเงื่อนไขกับพระราชบิดาว่าท่านจะแต่งกับผู้หญิงที่เหมือนพระนานางทุกอย่างนั่แสดงว่าท่านรักพน้านางมากกับถือว่าพนานางเป็นหญิงแบบฉบับในหัวใจท่านทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าพนานางนั้นถูกขอร้องจากมายาเทวีนะฮะก่อนสิ้นพรชนให้ดูแลเจ้าชาให้ดีที่สุดจนพนานางทุ่มชีวิตทั้งหมด จะเป็นเดให้ท่านฝังใจมากกับพนานางนะครับซึ่งต่อมาเพื่อพนานางศรัท ธ, ธาในศาสนามากอยากจะออกบทท่านเลยตั้งเงื่อนไขามากด้วยความรู้สึกทั้งรักทั้งกังวลทั้งเป็นห่วงนี่พุทธศาชนาบ้านเนี่ยครับจริงพระเจ้าคงไม่กังวลเหมือนเราเราท่านท่านหรอกแต่ว่าเงื่อนไขที่ท่านตั้งที่เรียกครครุกรรมครุกรรบาบัตรอะไรเนรี่ยมาปึกกันให้พนานางต้องลําบากท่านนที่สุดก็เสียรนนู้พระอาหนนผมพูดปาษาชาวบ้านนะพระนาน ท, ทูลอยังนั้นเจ้ผู้เจ้าเงียบเลยเอ่อเล่าอันี้จะบอกว่าท่านอยากใ ห, ให้ผู้หญิงบวชในศาสนานอา่าทีนี้พนังนางก็เข้าเส้นทางพระอานนท์อหยียดเหยียผิวของน้าพูดประาชาชุมบ้านก็เป็นที่รู้กันว่าพระนานนท์ก็ไปทูลพระองค์แล้วถามว่ามักผลยุคานี้นีฮะอรหตตผลเนี่ยเป็นสาธารณะกับทั้งสองเพศคือท่านหญิงทั้งชายหรือว่าเฉพาะผู้ชายเท่านั้น เจ้าบอกไม่ผู้หญิงกับผู้งได้ตอานั้นก็ลุกเลยทาไมไม่ให้พระน า, นางบวชเนเมื่อการได้รับพระหาตผลเป็นที่สุดของการตอบแทนพระคุณพระเจ้าเลยเงียบเลยครับพูดไม่ออกคือจนมุมในสุดท่านก็ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าพระน า, นางปฏิบัติได้อย่างนี้นี้ น, น, นี้ท่านยินดีจะให้บวชนะมีหลายตอนนะฮะที่ทำทีริทธิวิตระได้สะท้อนวิถีชีวิต เป็นพุทธวัตรที่ใกล้กับชีวิตของมนุษย์เราพบ ว, ว่าคพูดพุทธวัตรหลายเรื่องนี้เป็นลิเทเลเจอร์ขอโทษนะใช้าษสอังกฤเป็นวรรณกรรมไปอย่างปฐมสมโพธนั้นผมยอมเล่าเปนหนังสือที่ไพเราะมากๆครับแต่อ่านแล้วก็เป็นเรื่องวรรณกรรมไม่ไม่สัมพันธ์กับชีวิตเราซึ่งเดินดินกินข้าวแคงแล้วเราก็รักเกลียดเป็นมีพ่อมีแม่มีงานมีการมีความรับผิดชอบนี่คือชีวิตจริงๆ แต่ลัลลิศวิตละได้เล่าประวัติพู้เจ้าว่าอย่างงดงามทั้งในแง่ของความเป็นเทพและเป็นมนุษย์ ม, มีพุทธวัติในคัมคำพเรียเร่มนั้นพู้เจ้าไปโรงเรียนครับไปเรียนหนังสือขี่เกวียนที่เทียมด้วยแพะไปด้วยแล้วก็เมื่อมั่นหมายกับ ายาโสธราพิมพาหรือพัทธกัตกันานะชื่อเดิมของพระนางยาโสธราเนี่ยพัทธกันจจายพัทธการชนานะเนี่ยสมจุงมือเข้ามาในสวนเพื่อแนะนําตัวคู่มั่นท่านให้สาวสนมกำนันรู้จักซึ่งคำพิบัตเราไม่มีครับเราถือเป็นเรื่องเล็กเกินไปแต่คำมภีัเรื่องนี้ไม่ได้ละเลยครับคือสำคัญในเรื่องนี้ที่ผมจะเล่าก็คือ พระคำีละลิศวิตระได้เล่าว่าเจ้าชายตอนวัยหนุ่มเนะเชี่ยวชาญชัางนานมากในการเล่นดนตรีประเภทสตริงฟังดูแล้นินวคืท่านจัดเจนในเรื่องดนตรีมากแล้นในที่สุดเมื่อมาถึงเวลาช่วงสำคัญที่สุดลอนแหลมที่สุดในชีวิตว่าตายหรือไม่ก็บรรุธรรมนั้น ทำจับเจนในดนตรีได้เข้ามาเล่นบทบาทในชีวิตของท่านเราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับถ้าผมจะพูดบางคนอาจจะคิดว่าผมพูดตลกหรือพูดให้คนอื่นทึ่งเล่นพระเจ้าเข้าสู่ประตูธรรมด้วยดนตรีครับแต่ถ้าผมอ้างนิดเดียวก็จะร้องอ่อ น, นะครับคือบ้านเราบอกพระอินทร์มาดีดพินให้ฟังนะเราเด แล้วพระเจ้าก็ได้ประสบการณ์ในช่วงที่ล่อมินเมย์และล่อแหลมคือท่านอดอาหารทรมานตน็เนเย็นสิ้นชีวิตนะฮะทั้งนั้นก็ก็ะอินก็มาดีดพินแล้วก็พินที่ขึงตึงเกินไปก็สายขาดไม่ไผ่ร้ย่อนก็ไม่ไผ่ร้อพินที่ดึงตึงสาย ก, กลางพอดิบพอดีดจะทอนเสียงที่ไพเราะเพราะทิ้งขึ้นมา แต่ในคำทีเลสสุละม่ได้เล่าอย่างนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับพะอินจริงๆคือท่านในอดีตสมัยท่านเป็นเจ้าชายน้อยเจ้าชายหนุ่มนั้นท่านจัเจนมากในเรื่องดนตรีผู้ที่เป็นนักดนตรีเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีนะครับเขารู้ว่าเสียงจะไปเลาะตามคีย์ตามออกเทปของมันเนี่ยจะเปล่งนอนุภาพขึ้นดนตรีไม่ว่าเป็นวโลินหรือกีตาร์หรือสลั ง, งี ทนปาลอินเดียตอนเหนือนะครับมีเพื่อนมนตรีชนิดหนึ่งชื่อสลังมีคือสังคีตนั่นเองครับถ้าพูดเสียงชัดๆแค่คือสังคีตแต่ทางน้องออกเสียงเป็นสลังมีไพเราะมากครับแต่ว่าถ้าขึ้นไม่ถึงระดับของมันหนึ่งมันจะไม่เปล่งอนุภาพของมันออกมาขึ้นมนตรีทุกชิ้นมีอนุภาพสั้นอยู่ในนั้นผู้เข้าถึงมันจะทำให้เราร้องง่ายได้หัวเรอะได้อย่างซอสั้มสายขงเรามีพลังมากนะแต่ว่ามีคนน้อยคนที่เล่นมันได้หรือพูด ยังไงว่าดนตรีทุกชนิด่ครับมันจะมีเนื้อหาของมันเองคนที่สีเวลินไม่ถึงระดับที่เวลินเป็นอนุภาพนะะก็จะไม่เข้าใจเรื่องราวตรงนี้แต่สําหรับเจ้าชายแล้วตลอดช่วงที่เป็นหนุ่มท่านจับเจนมากในเรื่องการเล่นดนตรีดังนั้นเมื่อออกบวชแล้วนะครับก็พรมานตนที่จริงก่อนหนะ้านีธไปธทรมานตนนั้นก็ออกบวชท่านไปหาอุทกะอาราละดาวบวชกันบ้าเราบอกว่าไปเรียน จนทัดเทียมกับครูครูชวนเป็นหัวหน้าบริหารหมู่ท่านปฏิเสธโดยอ้างว่าสิ่งที่ท่านเข้าถึงยังอาพาดได้คือยังเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือชาลระดับที่อาจารย์เข้าถึงท่านเลยขอลาไปงเงียบๆโดยความถม่อมเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้ที่สุดของมันแต่ก็ไม่รู้ก็มไม่รู้ที่สุดก็ไม่รู้จะค้านอาจารย์ได้อย่งไรเพียงแต่รู้ว่ามันไม่ใช่เท่านั้นเอง นี่ถ้าคมภีร์ฝ่ายบ้านเราแต่ถ้าโรดิทวิสละล้วไม่ได้เล่าอย่างนั้นครับโดยเฉพาะที่โบโรบดรูเนี่ยบอกว่าพระเจ้าพิงไปสนทนาธรรมกับอุทะกอาราระไม่ได้ไปดินครับไป d i ล l o g เหมือนกับว่าเราไปเยี่ยมใครสักคนหนึ่งที่เขามีชื่อเสียงในทางนั้นสนทนากันเมื่ออุทกะอาราละได้บอกภูมิปัญญาของตัวให้เจ้าชายฟัง ตอนนั้นเป็นเจ้าชายที่ที่ออกเล่ร่อนนะฮะท่านทรงตอบ ว, ว่าที่ท่านเล่านั้นที่ครูทั้งสองเล่านั้นก็รู้หมดแล้วท่านท่านผ่านมาตั้งนานแล้วไอระดับท่านแล้วท่านก็เลยไปไปหายาบทที่เป็นสตรีก็มีครับนี่สิ่งน่าประหลาดท่านเราเ่าฝ่ายเทราวาสซึ่งวัฒ ธ, ธรรมฝ่ายเทราวาสค่อนข้างข่มขี่สตรีนะครคือสตรีมักจะเป็นบุคคลประเภทสอง แล้วไม่คิดว่าสตรีจะมีปัญญาด้วย ท, ทั้งท่าที่มีภาสิทซึ่งสงเคราะห์ได้ว่าเป็นพุทธภาสิทนะครับว่าไม่เพียงระบุุษเท่านั้นที่มีปัญญาถึงสตรีก็มีปัญญาได้ครั้งอดีต<ม>นางบนญ<ม>บรรณาเทลีก็ดีเขมกาวก็ดีได้เข้าถึงอรหัตกผลแล้วพูะเจ้าทรงโปรดรานให้เป็นเอกทกขะในทางปัญญาก็มี้แวแล้วจะเป็นสตรีซึ่ซึ่ง ซึ่งรู้แจงอย่างนี้จริงในใ น, ในศัพทธรรมดังนั้นเราอาจจะแปลกใจเล็กน้อยครับที่ว่าคัมภี์ที่ผมระบุชื่อนั้นได้เล่าว่าเจ้าชายที่เล่่อนไปหาครูซึ่งเป็นสตรีน่ายินดีหรือน่าอภ า, ายหรือเปล่าครับแสำหรับผมเมื่อเห็นคำพีผมรู้สึกยินดีนะมันแสดงถึงการสแสวงหาของผู้สแสวงหาที่แท้จริง โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รู้นั้นครูนั้นจะเป็นหญิงนีเป็นชายขอให้กันผู้รู้กันใช้ได้แล้วต่อจากนั้นก็เมื่อค้นหาการเท่าฌานในระดับต่างๆนะครับไม่บรรลุผลเป็นที่พอใจความคิดที่ตีกลับของเจ้าชายก็คือเมื่อค้นหาภายในมโนกติ ทางของการพัฒนาระดับของจิตโดยกำหนดนมิติละเอียดอ่อนไปเรื่องนั่นไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่จำานงหวังความคิดตีกลับก็คือถ้างั้นทำลายอินทรียศาสตร์ให้มันจ้านไปเลยจะดีไหมบางพีน อ, อาจจะอยู่นอกนอกมโนกติก็ได้มโนกติก็สิ่งเราค้นหานะครับเช่นจาบรรลุถึงความสุขฌานในระดับตลาง คือคมคิดดีกลับคือขึ้นตั้งเริ่มทรมาตนตนเห็นได้นนชัดว่าการไปหาอุตตะอาลาละการทรมานตนนี่เหตุผลเรื่องกันทำไมาได้ทําสุม่มสี่สห้าเนี่ยเพราะว่าทั้งหมดของพรเจ้านั้นเป็นการผมไม่อยากใช้คําคว่าทดลองผมอยากใช้คําคว่าแสวงหาไม่อยากใช้คําคว่า experiment นะครับแต่เป็น explore explore เลยท่นอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็ทดลองอะไรนี้เขามีกฎเกณฑ์เขาสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าอะไรจะเกิดขึ้น ตั้งสมมติฐานแต่การ explore การสํารวจนี้ของเจ้าไม่มีใครรู้รรเพราะว่าก่อนหน้าท่านไม่มีใครรู้ท่านยืนยันว่าก่อนหน้าท่านไม่มีใครรู้ที่สุดทุกเรื่อไม่มีใครรู้เลยแต่ว่ารู้ระดับชาต่างๆแล้วเรียกมันว่านิพพานเรียกว่าที่สุดทั้งๆ ท, ที่ท่านจับได้ฮะน่ไม่มใช่ที่สุดตอนนี้น่อท่านทรมานต์ตลงมากสายใยชีวิตแทบจะขาดสะบั้นลงท่านได้ไหมไหมนะสาย เสียงดนตรีที่พอ ด, ดีในปรากฏขึ้นในความลับทราบของท่านเนืน่องจากความจัดเจนครับเราจะพบว่าเราขับรถทางไกลไปแล้วจูนเจนไปเกิดบัตเหตุประสบการณ์ที่จัดเจนในการประคองตนนึงสาคัญมากครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันจู่โจมไม่ทันรู้ตัวและคนไม่มีประสบการณ์มากนี่ต้องไปกับอุบัติเหตุทันทีเมื่อรถเอียงหรือสะดุดหรือตกขอบถนนแก้ปัญหาไม่ตกก็ไม่จัดเจนไม่มีประสบการณ์เลย แต่ทาพระเจ้าแล้วท่านจัดเจนจนกระทั่งเกิดเป็นไว้พริบปฏิฐานดีขึ้นมาในตัวเองเมื่อสายใหญ่ชีวิตผมใช้คำว่ า, าสายใหญ่ชีวิตนะฮะจนจะสิ้นสุดแล้วท่านก็แววขึ้นมาในโสดประสานว่านับเป็นแต่อ ด, ดีตประวัติของมนุษย์ทึ่งเดินสายทรมานตนนั้นท่านเป็นที่สุดเฮ้ไม่มีใครทรมานมากเหนื้อแบบ น, นี้อีกแล้ว จิตนีิ่งเหน่มากครับถ้าว่าพลาดนิดเดียววก็เราคงไม่ต้องมานั่งพูดกันเหมือนครับเพราะจะไม่มีพรูเจ้าจะไม่มีการประกาศศา ส, สนาจะไม่มีเรื่องการยุทธศาตร์จะไม่มีเรื่องการติดปทานจะไม่มีวัดมีโบสถ์เหมือนที่เราเป็นอยู่จนทุกวันนี้